ออาหารที่หลวงพ่อเก็บไว้เนี่ยแบ่งไว้ให้ลิงด้วยพวกกล้วยบ้างพวกแตงโมบ้างอะไรที่ลิงจะกินได้หลวงพ่อก็คิดถึงลิงเหมือนกันนะเพราะว่าดูดูแล้วบางครั้งมันอดอาหารเหมือนมันจะไม่มีขนจะเลยตั้งไปนะไม่ขน <c oughs> ข, ข, ขนหลดเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อได้เวลาพระรวยลิงก็ต้องรวยรวยด้วยเหมือนกัน เวลาพระรวยเนะี่ยต้องแบ่งให้ลิงด้วยลิงก็ต้องรวยด้วยลิงของหลวงพ่อมีอยู่มีอยู่สามกลุ่มนะสามกลุ่มใหญ่ลิงลิงมีอยู่สามกลุ่มใหญ่ถ้าวันไหนมันโคจรมาพบกันวงั้นนะทั้งที่มันจะประสานสมคีอะไร มีความอะไรปองดองกันเนี่อทั้งที่มันจะปองดองกันเพราะงั้นเธอลิงสามกลุ่มเน่ยทั้งที่มันจะปองดองกันพอไหมเห็นกันเละหญิงเขี้ยวใส่กันบัดลิงสามลิงสามกลุ่มเนี่ยหันหญิงเขี้ยวใส่กันวอแต่หัวหน้ามันฉลาดนะหัวหน้าใหญ่ไอหัวหน้ามันจะมีแต่ละกลุ่มจะมีหัวหน้าหัวหนึ่งท่านเราจะอยากจะรู้จักว่าตัวไหนเป็นหัวหน้ามั้ย เรามองเลยก็รู้ได้เลยหางมันจะกระดกขึ้นข้างหลังงอนอยู่อย่างเงี้เงย เ, เดินวางหมาดเออเดินวางหมาดไอ้ตัวนั้นเราหัวหน้าว่างันเนี่เออแต่ตัวอื่นหางตกหมดเลยถึงจะเป็นตัวใหญ่ก็หางตกวกว่างั้นไอ้ตัวหัวหน้าเนี่ยแปลว่ายาฝูงเนี่ยยกขึ้นมานเดินแบบผึ่งพลายวะเงี้ยหางก็งอนเนี่ยเวลามันจะไปเชิญหน้ากันนี่ยมันทั้งที่มันจะปองรองกันอย่ที่ว่าในีสามกลุ่ม มันหัวหน้าไปอยู่ข้างหลังนะมันขู่ให้ลูกน้องเนี่ยไปสู้โซ่ไม่สู่สู้ไม่สู้อะไรกอก็ ก, ก, ก็เออไอตัวเองอยู่ข้างหลังเหมือนกันแต อ, อให้ลูกน้องไอ้ลูกน้องกับตท่าวิ่งเข้าไปหากันแต่ก็วิ่งออกมาลูกน้องมักลัวเจ็บมันกันใช่ไหมละ่ะวิ่งเข้าไปแต่ก็วิ่งออกมาพอที่โซก็เหนื่อยเลยก็หัวหน้าขู่ไม่ไปไม่มากับต่างคนกัต่างลาท้อยกันเลิกกั น, นเหมือนกัะเออ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 ลิงกลุ่มนั้นก็ประมาณจะเกือบสองร้อยเหมือนกันหนะลวงพ่อว่านะถ้ามันมาเต็มฝูงของมันแต่ตามไม่จริงก็ลิงในวัดของเราในเยอะจับไปปล่อยที่อื่นก็มีแต่ก่อนลิงแถบนี่มันหมดนะคือชาวบ้านเขายิงเอามาเป็นอาหารหมดนะมันไม่เลือกกระทั่งลิงเนะีกินหมดจะได้มันก็หมดนะลิงในทินนี่แต่ก่อนภูกรู้เยอะ ตมาก็หมดอย่างที่ว่าพอหลวงพ่อเฉลีไปสร้างวัดหลวงพ่อกลิงหลวงพ่อมันเยอะทีนี้หลวงพ่อก็ถามว่าหลวงพ่อเฉล่ะจะเอาลิงไหมวะเดี๋ยวจะเอามาปล่อยให้วะท่านก็เชยเอองนินเลิงอยู่ที่วัดผมเยอะนะเอามาปล่อยเอานะาท่านก็เชยหลวงพ่อกัน มีลิงอยู่ในวัดมีสัตว์อยู่ในวัดมันก็นดีนะดูๆแล้วไปที่ไหนเหมือนกับนั่นเหมือนกับเมืองเพชรบุรีเนะ่ะไปที่ไหนเห็นแต่ลิงโย่เ ย, ย่ไปบุก็ดีเหมือนกันนะท่านก็ไม่พูดอะไรหลวงพ่อก็ขนไปให้แล้วบัตรขนไปโอ้ขาวนะั้นมันเกือบแปดสิบตัวป่ะนะขนไปเหมอนนแตขนไปขนไปขนพอ่อโห้มันพ่อหมูเดมันรื้อได้แต่เนี่เคื่อนไปแถวเจดีน่ะไอ พวกต้นวาดสนาต้นอะไรเนะี่ยต้นประดับทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยเลีงไปแกะกินยอดมันมดบวานนีอหลวงพ่อจะลียวโวยวายแลยโอ้อยเอาไม้ได้พอพอพอพอพ อ, พอโอ้หลวงพ่อโคตไปตั้งเกือบร้อยตัวแล้วเงี้ยนนะ เ, เดี๋ยวนี้ก็ยังย้อเย้ยอยู่นะเพราะว่าคนฆ่าคนยิงมันไม่ได้มันก็เลยอยู่ที่นั่นหลาเดีอนเนี้ยยูอเย้ยอยู่แถวนั่นแหละอยู่ที่วัดป่าภูก้อนนะ่ะแต่ คูบาภูก้อนน่ฉลาดได้ทำไมจะว่าฉลาดโยภูก้อนมันขึ้นไปแกะกระเบื้องท่านท่านก็เอาลวดเอาลวดไปใส่ข้างบนอนลวดแบบที่มันช็อตวัวเขานะ่ะที่การถนนพอลิงขึ้นไปท่านก็ท่านก็เอาไฟฟ้าใส่ใส่ในลวดลิงมันไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมล่ะ เลีงนะ้งมันโง่กว่าคน่ไมมันไปเห็นมันไปจับลวดเนี่เรเนไปพราจับลวดไฟช็อตมันโอ้โหโโขี้ตาขี้แตกขี้ลาดแถวลังคานะ <c oughs> จากนั้นพอเข็ดเลยนะไม่ขึ้นบนลังคาสาลาเลยแต่ในวัดของเราเนะี่ยไม่มีคุบาทําได้อย่างนั้นบางทีเนี่ยที่ลังคาของหลวงพอนะ่อยมันขึ้นมันขึ้นเกินะนะิน่ขึ้นนะบางทีพระมาอยู่ขึ้นทางหลังสารา ขึ้นมไปรือกระเบื้องลงมานะี่ยแผ่นไหนที่มันดังที่มันมันไม่แน่นอนะ่ะมันเดินไปมันเหยียบเกาะเกาะแผ่นนั้นแหละมันไปนขยับขย่าตรงนั้นแหละขย่าตรงที่มันดังๆเกาะเกาะเกอย่างนั้นแหละโอ้ oh. กระเบื้องเท่าไหร่ก็ไม่เหลือพังเลยเพื่อนหลวงพ่อจะได้เอาสังกสีแผ่นใหม่นี่ใส่เนี่ยใส่ใหม่ก็มันร้อนมาเนี่ย ก็เลยให้เขามาฉีดโฟมข้างล่างใช่ไหมเนี่ยมันเที่ยค่๊าขวาวฉีดโฟมปิดข้างล่างกันร้อนด้วยกันเสียงด้วยเวลาฝนตกนะแต่นี่หลวงพ่อเลยท้าจะลิ้งเนี่บ้านเนบะิ่งมา้าขึ้นไปเลยบ้านเนี่ถ้ามึงขึ้นไปมึงต้องเอาเนบค้อนตีตะปูใส่หลังมึงด้วยไปงัดออกจริงออกได้ลําพังขึ้นไปเฉยๆมึงขึ้นไปไม่ได้แล้วทําอะไรไม่ได้แล้ว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 บอกทางในครัวเนะียวันนี้เป็นวันบรรณาภาพโยมแม่ของหลวงพ่อนะี่ยบรรณาภาพอยู่ที่วัดนี่แหละแล้วก็ไปชุมเพิงอยู่ที่หน้าศาลาะลูกหลานทั้งหลายที่อยู่ในวัดลําลึกถึงคุณยายนะอุตรส่วนกุศลถึงคุณคุณยายแต่ว่าคิดว่าคุณยายคงจะไปสู่สวรรค์ชั้นพรมแหละคุณยายนะึงทําบุญทําทานมากจริงๆรินะโยมแม่ของหลวงพ่อนะ ทำบุญปฏิบัติหลวงปู่ล่าตั้งแต่สร้างวัดก่อนหน้านั้นกับปฏิบัติคุณย่าของท่านพอมาหลวงปู่ล่ากปฏิบัติหลวงปู่ล่าตั้งแต่ปีสองพันห้าสองันห้าร้อยะแล้วก็เพิ่งมาจากไปเมื่อไม่ถึงสิบปีมั้งคุณแม่จากไปวันเิวันที่สิบสี่เมษาแล้วก็วันที่สิบหกธันวา โยมพ่อจากไปโยมโยมแม่อายุ9กหปีโยมพ่ออายุ96้าสิบหกปีแต่หลวงพ่อคงจะไม่เอาขนาดนั้นหรอกแก่เกินไปวะแต่โยมพ่อโยมแม่ก็ยังช่วยตนเองได้นะเาขางองน้ําหอกองท่าได้ช่วยตนเองได้ทั้งโยมพ่อทั้งโยมแม่แต่ก็จากไปเมื่ออายุ9ก้า้าเก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 พอต่อมาลวงพ่อก็เลยบอกว่ยไปด้วยกันนั่นแหละมาด้วยกันต้องไปด้วยกันเอไม่ต้องไปก่อนไปหล้างหรอกไปพร้อมกันได้ว <c oughs> ลวงพ่อบอกก็ต่อมาอีกสองสามปีต่อมาโยมแม่ไปก่อนจริงๆเพราะโยมแม่อบอกได้จริงๆวะโยมแม่ไปเดือนเมษาเนี่ยนะวันที่ 14, สิบสี่เมษาวันนี้นะวันสงกรานเสร็จไปวันหนึ่งเมื่อวานกวันที่สิบสี่โยมแม่ลงพ่อก็จะ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 กินเหล้ามาตั้งแต่ดื่มสุรามาตั้งแต่สำนักงานจนมาถึงบ้านถึงบ้านก็อันนี้คือสงกรานต์ใชสงกรานต์เขต้องดื่มเหล้ามันไม่ถูกนะลูกหลานควรจะเปลี่ยนความคิดใหม่ความคิดใหม่ก็คือเรามาด้วยสติสัมปชัญญะเรากลับมาถึงบ้านเรามีเงินติดกระเป๋ามาไหมที่เราที่เราไปทํางานควรจะมาแบ่งให้พ่อแม่เท่าไหร่ผู้มีอุปกราระคุณเท่าไหร่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 คนเราดีๆทําไมจึงไปหาดื่มของเหมือนเมาเข้าไปพวกเราอยากจะเป็นบ้าไหมพอถามนะคุณอยากจะเป็นบ้าไหมก็โมโหให้เขาทันทีอแต่ว่าตัวเองคิดพิธีการเป็นบ้านคิดอย่างนั้นะพอดื่มเข้าไปแล้วก็ขาดสติพอขาดสติแล้วจะเป็นยังไงถ้าไม่เช่บ้านก็เป็นบ้าโดยปริยายถ้าเมามากๆนะถ้าเมาตึงๆนี่ก็อีกระดับหนึ่งพอไม่อายไม่อายพูดอะไรเขามาพูดออกมาได้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 หลวงพ่อก็มั่นใจว่าหลวงพ่อพูดมันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำเพราะชีวิตของเราน้อยนักไม่ใช่ว่าชีวิตยืนยาวอะไรจากนี้ไปเบื้องหน้าเราก็ไม่ไม่มีใครทำนายไว้ว่าชีวิตของเราจะยืนไปสักเท่าไหร่เห็นแต่คนอื่นเขายืนตัวเองก็คิดว่าจะยืนตามเขาเ 80, ปีแต่ที่แท้เนะี่ยอาจจะ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 เกลนเล่าอย่างงั้นใช่ไหมเป็นคนดีไปคโคดกงอย่างงั้นใช่ไหมเป็นคนดีไปพูดด่าคนอื่นอย่างงั้นเป็นคนดีฮเป็นพูดดูถูกเย็ดยามกระแนงกระแนคนอื่นอย่างงั้นเป็นใช่ไหมเป็นคนดีพวกเราก็ต้องถามตัวของเราอีกแล้วก็ถามผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้อถามลงข้อก็ได้อันไหนเป็นคนดีคนดีอันดับแรกก็คือพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติสินะคือกฎ เท่าก่าตามให้จริงก็คือทําบ้านเมืองเขาบอกกฎหมายแต่กฎหมายมันยาวเหลือเกินมันมากกฎหมายาพูดย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปแต่เรื่องศีลห้าของพระพุทธเจ้านี่แหละรับรองว่าเป็นคนดีเป็นเป็นด่านแรกของพระพุทธศาสนาข้อที่หนึ่งอย่าคิดฆ่ากันถ้าเราคิดฆ่าเขาเขาคิดฆ่าเราเป็นยังไงมันเดือดร้อนวุ่นวายไปหมด ถ้าเขาเราไปขโมยของเขามักเขามาขโมยของเราก็เดือดร้อนอีกเอ๋ขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขาไปเรียกค่าไถ่ ย, ยังไแล้วเป็นยังไงมีความสุขไหมเดือดร้อนเขามาทำมาเราก็เดือดร้อนสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาก็รักของเขาให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันต่างคนต่างเคารพสิทธิ์กันดีไหมแล้วก็ไปที่ไหนอย่าโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาอย่าไปหลอกลวงเขาต้มตุ๋นเขาโกหกเขา อย่าไปเบียดบางเขาจะใช้ว่าจะโกหกเขาดีไหมถ้าเขามาโกหกเราเป็นไงไม่ดีเราไปโกหกเขาจะดีไหมดีอย่างนั้นใช่ไหมมันคงไม่ดีอีกเหมือนกันเพราะนั้นโกหกเอาสองสิ่งที่ไม่ดีทุกวันนีมันมีเยอะนะโกหกต้มตุนหลอกลวงเพอเผ้อเขียนเช็คให้เขาอีกต่างหากทั้งที่เช็คตัวเองไม่มีเงินในธนาคารเขียนกระดาษเปล่าให้เขา พอในสุดตัวเองก็หลบหนีอีกต่างหากเออันนี้เราโกหกอย่างไจะเสียหายไหมฟ้องร้องก็ไม่รู้จะฟ้องร้องใครได้แต่กระดาษใบใบเดียวตัวเจ้าของกระดาษถ้าก็หายไปแล้วเข้ากิบเมกไปละเสียหายไหมเสียหายอย่างมากปนปี้ไปเลยบางคนก็เยอะแยะไปหมดนี่แหละเขาบ่าโกหกโกหกโกหกคํานี้ไม่ใช่ว่าพูดโตเล็บเล่ น, เ ล, นเล่นกันโตหกไม่ใช่นะเขาว่าโกหกที่มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อย จะทำให้ตระ ก, กูลล่มจมจิบหายการเงินการทองกีละโกหกคำนี่แหละไม่เป็นผลดีเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีนี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะสัตยาติโยทุกคนนะสิทธธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยทัศสอนไม่ใช่สอนอื่นไกลนะสอนพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละ ที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินเนี่ยนี่แหละคือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำคําสอนของหลวงพ่ออินนะหลวงพ่ออินกันนะเอามาเรียงลําดับเอามาเรียงลําดับให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังให้เข้าใจง่ายคําไหนภาษาไหนที่จะเข้าใจง่ายในจุดทำคําสอนของพระพุทธเจ้ า, านั่นนะเอาคํานั้นามาพูดให้พวกเราฟังอันนี้คือสีลข้อที่สีข้อที่หสุราเมรยมัชฌะอมาน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 บางทีเขาไปยิงไปเรื่อยลักษณะนั้นหรือว่ามีดฟันไปเรื่อยอย่างนั้นคนอย่างนั้นไม่ควรจะให้มีอาวุธในมือเพราะคนขาดสตินี้ก็เหมือนกันถ้าคนขาดสติทําความชั่วในทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าสามีภรรยาลูกหลานได้ทั้งนั้นพราะอะไรเพราะขาดสติขโมยใครก็ได้แลหลับแล้ว ล, ลวงสามีภรรยาลูกหลานใครก็ได้กล่าวพูดสาโกหกต้มตุน๋นหลอกลวงใครก็ได้เพราะมันขาดสติ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ศีลห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนสังคมนี่แหละคือคนดีถ้าประกาศแล้วก็หนึ่งอันนี้แหละคือคนดีคนที่มีศีลห้าบริสุทธิ์บริบรูรณ์นี่แหละคือคนดีถ้าพวกเราถามว่าคนดีนั่นคืออะไรนี่แหละถ้ามีศีลห้าคือคนนี้ถ้าหาว่ารักษาไม่ได้ทุกข้อล่ะได้ข้อหนึ่งได้ข้อใดข้อหนึ่งก็ยังดีข้อใดข้อห้าเนี่ยไม่ดื่มสุรา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 ไม่ดื่มสุราตั้งแต่วันเกิ ด, พ, ดพูดอย่างนั้นได้เพราะบวชมาอายุสิบเอ็ดปีเป็นสั ม, มเาณแต่ก่อนหน้านั้นก็บ้านนอกออคาว่าสุราเนี่ยพ่อแม่ก็ห้ามอีกพ่อแม่พ่อก็มีศีลห้าแม่ก็มีศีลมีศีลมีธรรมอยู่แล้วนะท่านไม่ให้ดื่มสุราอยู่ยแล้วถ้าใครดื่มตนะามขนาดพี่ชายใหญ่จะไปดื่มกับหมู่กับเพื่อนจะไปดื่มสุราพ่อยัง ตอนนี้หลวงพ่อเองก็ไม่เคยคําว่ารถสุราไม่เคยมีไม่เคยรู้จักเลยอตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนถึงปานนี้แหละตอนนี้หลวงพ่อเองมีหมู่มีเพื่อนมากไหมมันนับใส่กันที่คนที่ดื่มสุราบมากๆกับหลวงพ่อนใครมีหมู่เพื่อนมากกว่ากันฮหลวงพ่อคีดว่าหลวงพ่อแข็งได้ก็แล้วกันะอหลวงพ่อไปดื่มสุราหมู่ที่ไม่ดื่มสุราของหลวงพ่ อ, อไว้เนื้อเชื่อใจได้พึ่งพาอาศัยกันได้ หลวงพ่อมีอะไรก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมชุมชนสังคมกวดช่วยเหลือหลวงพ่อได้เนี่แหละข้อสําคัญให้เราเป็นคนดีใช่อย่างเดียวเท่านั้นนะภาพเป็นคนดีแล้วเป็นที่พึ่งของหมู่ของเพื่อนได้ของพี่น้องได้วงศาคณาญาติได้ล้วนแล้วจะหมู่ใครๆก็จะมาเป็นหมู่เป็นเพื่อนของเราได้ทั้งนั้นแหละถ้าหาว่าดูสิถ้าดื่มสุรามากๆเปยซ้ายเปยขวาใครจะไปเป็นหมู่เป็นเพื่อนเราได้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 1่กจาข้าไปเจ้าคนนั้นก็นับหนึ่งพวกเราอยู่ด้วยกันอยู่ที่ศาลาหลังนี้สองสามร้อคนนับหนึ่งทุกคนหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบกสองเป็นสีไล่ไปเลืย ม, มันก็ถึงถึงร้อยสองรอเองเป็นคนดีทั้งหมดแต่ถ้าว่าเลวข้าไปเจ้าของโอ้ยไม่เอาละคนนี้โอ้ยไม่เอาละต่างคนต่างไม่เอาสินไม่มีสินไม่ทำหนึ 1, ่งบวกหนึ่งเป็นสองเลวเลวหนึ่งเลวสองเลวสามเลวสี่ไปเรื่อย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 จากนั่นก็อนถ้าเป็นได้มากกว่านั้นก็นั่งสมาธิก่อนนะนั่งสมาธิสักห้านาทีสักสิบนาทีถ้าเรามีเวลานะไปเป็นการฝึกเอาไว้เป็นการฝึกจิตฝึกใจเอาไว้นั่งสมาธิเนะี่ยนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอย่างที่เรามองเห็นพระประธานเดี๋ยวนี้นนะ่ะขัดสมาธิแล้วก็ ป, ปนมมือสัก่อนนะประนมมือขึ้นในระหว่าง อ, อก ไหว้ครูอีกครั้งหนึ่งพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบนะจากนั้นเอามือลงเอามือลงแลกับบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ต้องคิดไปในอดีตเมื่อวานมันก่อนไม่ต้องคิดถึงอนาคตวันพุ่งนี้ก็ยังไม่ไม่ต้องคิดถึงก็ยังไม่ถึงเอาปัจจุบันเดี๋ยวนี้นะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธได้สักยี่สามสิบนาทีหรือได้หนึ่งชั่วโมงก็ยิ่งดี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 แต่ถ้าว่าเราไม่เคยภาวนาพุทธโธไม่เคยภาวนาเลยเนี่ยใจของเราปุงฟงเมือ่ออายุมากขึ้นมาเท่าไหร่ใจเราของเราก็ยิ่งไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคิดถึงลูกคิดถึงล้านคิดถึงญาติพี่น้องเหาว่าเขาไม่มาดูมาแล้วเ อ, อเขาก็มีธุระการงานเขาทําการทํางานเหมือนสมัยเราเป็นน้อยเป็นหนุ่มเราเป็นน้อยเป็นหนุ่มไม่ใช่ว่าเราจะมาเฝ้าพ่อเฝ้าแม่อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เราก็หาอยู่หากิน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 ตกนรกหมกไม่ได้ยังไงข้าต้องไปสู่สวรรนะค์เพราะข้าทํานดะีเมื่อเราทําชั่วแล้วเราทําชั่วแล้วเราจะไปสวรรค์ได้ยังไงข้าต้องตกนรกเพราะอะไรเพราะข้าทําชั่วเนะพราะนั้นชั่วกับดีอยู่กับเราในสิ่งที่มันชั่วเราอย่าทําอย่าคิดอย่าพูดอย่าทําในสิ่งที่มันชั่วเราคิดพูดทํา <ำ S 1> แต่สิ่งที่ดนะีจิตใจของเราจะมีแต่ความผาสุกเนี่ยละนั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธ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 เป็นเครื่องเครื่องเกือคุนหนุนพ่อแม่ปู่ยา่าตายายผู้มีอุปการะคุณสำหรับข้าไปเจ้าให้มีความสุขทั่วนหน้ากันด้วยเทินเราต้องแผ่เมตตาอย่างนั้นในจิตในใจมีแต่ความเจริญมีแต่ความผาสุขถ้าคนมีศีลมีธรรมอยู่ในจิตในใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราคณะทธายาจโยมลูกหลานทุกคนนะพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า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 ท่านบอกว่าปุเพเนวาสานุสติยานระ ล, ลึกชาติผลหลังได้ถ้าตายแล้วสูญจะระลึกชาติได้อย่างไงเราเกิดมาวันนี้วันเดียวไม่มีเมื่อวานเราจะระลึกถึงเมื่อวานได้อย่างไงอันนี้พระพุทธเจ้าว่าปุเพเนวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้คือระลึกถึงเมื่อวานวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนชาติก่อนแล้วก็จุตูปปาตยานการจุติของสรรพสัตว์มองคนอื่นที่แรกมองมองพระองค์เองก่อน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 พ่อแม่กูบาอาจารย์มาให้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจใสงบจะรู้ได้ด้วยตนเองนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดมากหลากหลายให้แก่คณะสัตย า, า ญ, ญาติโยมเพื่อเป็นการศึกษาเมื่อที่ยินได้ฟังแล้วก็นําไปการกรองไตรตรองในคณะสัตย า, า ญ, ญาติโยมลูกหลานในะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรและก็พร้อมการอุทิศส่วนกุศลถึงบรรพชนพ่อแม่ปู่ญาติยายพวกเรานะ